แต่มีที่ใจของเราคนที่เขาว่าเราคนที่เขาตำหนิเราเขาพูดเาแล้วเขาก็ไปและคําพูดมันก็ลอยไปเราหายไปกับอากาศสัานและเวลาเราพูดแต่ละคําแต่ละคํานี่ถ้าไม่จดไ ม, ไม่บันทึกเอาไว้ไม่ไว้ในความจำมันก็หายไปแต่ใจเราต้องหาที่ไปจำเอาไว้ไปจำแล้วไปยึดเอาไว้ยึดเอาไว้แล้วก็มาปรุงแต่งต่อเรื่อยๆมันเหมือนกับายหนังซ้าซ้ำไปซ้ามาแล้วก็ยิงซ้าไปซ้า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 ความคิดเร า, า จ, จะรู้นะความคิดเร า, า จ, จะรู้ว่าไอ้แบบนี้ไม่ดีนะแต่ใจซึ่งไม่ได้ฝึกสติว่ามันก็จะไม่รู้เลยเวลาเห็นคนอื่นทำอย่างเดียวกับเรารู้เลยนะไอ้นั่นไม่ดีแต่ว่าเราเราเป็นอย่างนั้นเองบ้างเรากลับไม่รู้ตัวแล้วก็แต่คลําครวนเศร้าโศกบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอาศัยคนเนี่ยมาช่วยเตือนสติแต่กว่าคนจะมาเตือนสติเราได้มันก็ช้านะเราต้องมีสติที่